ตอบไม่เป็นก็ตอนนี้ท่านท่านกลับไปสิแล้วไปข อ, ขอเข้ามาพระพุทเจ้าพระหลานทั้งหลายพระตระตาาจารย์ที่มันยมดีระดับพระหลา น, นเยอะนี่โทษของการที่ไม่ไม่ศึกษาให้ดีเลยไปพูดเหมือนเราเอ า, เ อ, าอุปมาเหมือนเคนเอาขวานนั่งทุบหัวตัวเองเลยนะไอ้คนเขาตาดีเขมองเห็นใช่ไหมเอาขวานจะทุบหัวตัวเองในอนาคต นี่คนตาบอดก็มองไม่เห็นโอ้โหเก่งมากเก่งมากไม่ต้องอาศัยบ่ายเอกสารยันเหมือนใครพอเรียนจบบาลีขึ้นมาหน่อยว่าเนี่ยตอนนี้มีอยู่กีลายหนึ่งเลยเอามาค้านพระพุทธโฆษาปูน่าเกลียดจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายศึกษาคําสอนก็ช่วยกันว่ารักษาคําสอนอมันไม่ใช่อะเมื่อกี้ใครจะถามตรงนีอ๋อเข้าใจอ๋อประเด็นนี้ใช่ไหม ก็เขา้าใจคือยอมางคนก็ถามบอกว่าเอ๊ะถ้าหาว่าใครสอนตามพระไตรปิโยกันจะกรถาเลยดีก่าก็ควรรับไว้ใช่ไหแต่ถ้าใครไม่สอนตามนั้นก็ไม่ควรแรงด่างก็แล้วแต่แต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราไม่เคยอ่านเลยได้เพาะเราอ่านแล้วเราก็ไม่สามารถแยกแยะไะไรได้เราจะทำยังไงส่วนประเด็นนะประเด็นต่างๆเหล่านี้ก็คือว่านี่แหละประเด็นต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างที่จะยากสําหรับคนบางคนแต่ก็ง่ายสําหรับคนบางคนเนาะ ประเด็นก็อยู่ตรงที่ว่าในกลุ่มที่เราศึกษาพระธรรมเนี่ยเราก็ต้องดูว่าใครที่สามารถว่าแยกแยะได้ที่เป็นสาธรรมิกด้วยกันหรือเป็นกัลยาณมิกเช่นกันด้วยกันแล้วก็เลือกเฟ้นแล้วก็ปรึกษากันพอฟังเบรศเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งด่วนเชื่อใช่ไหมก็มาพิจารณาวิจัยดูพอมาวิจัยเบรศเสร็จเหล่านั้นก็มานั่งถกกันอย่าเพิ่งไปไปดิ่งๆิ่งเคนเดียวในขณะที่เรายังมีอะไรอยางนี้จะสอบถามด้ดี ก็มานั่งสอบถามกันว่าสิ่งเหล่านี้พอเป็นไปได้หรือไม่อย่าเชื่อในฐานะว่าคําว่าในที่นั้นน่ะนะในกะลามัสูตรที่เคยพูดว่ า, วาอย่าอย่าเชื่อถือท่านใช้คําว่ า, นน า, รราท่านในพระตถาจารย์ได้ใช้คําว่าอยากยึดถือถูกต้องเลยคืออย่างนี้อยากยึดถือด้วยตัณหาอยากยึดถือด้วยมานาะอย่ายึดถือด้วยทิฏฐิถ้าไปยึดถือด้วยตัณหามานาทิฏฐิแล้วเนี่ยมันจะยิ่งไปกันอย่างแต่ให้ ใช้ยาณะสมานุปัสนาคือปัญญาในการที่เข้าไปวิจัยว่าคําสอนที่ท่านเหล่านี้บอกเนี่ยถามว่าเป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อละราคะโทสะโมหะหรือไม่แค่ให้ ด, ดูตรงนั้นและเป็นเมื่อเป็นคําสอนที่เป็นไปกับการละราคะโทสะโมหะนี้เป็นไปเพื่อการดูหมิ่นตนเองยกตนเองหรือดูหมิ่นคนอื่นไหมหรือก็เป็นไปเพื่อการขัดเกลียจริงหรือไม่ เมื่อเราฟังไปในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าถามว่าเป็นไปอย่างนั้นจริงก็ลองมาตรวจสอบดูถูกไหมมาตรวจสอบดูจากท่านที่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันแลยสอบถามรายละเอียดเมื่อสอบถามรายละเอียดเสร็จเ ส, อ ร, สร็จตรวจสอบว่าเออในพระวินัยในพระสูตในบระธรรมก็ตรวจสอบลงไปลักษณะนี้อถ้าถูกต้องเป็นไปลักษณะเหมือนกรณีที่เราเรียนอย่างเนี้เอาเราก็ว่าไปตามลําดับนี่ขณะที่ว่าตามลําดับเนี่ยก็ต้องดูด้วยเนี่ยใช่ไหม ว่าเออเป็นของที่ปฏิบัติได้จริงๆไหมใช่ไหมอย่างกรณีที่บอกว่าไอเวทนาเนี่ยสมณัติอาศัยเนี่ยข ม, มะเนี่ยบอกสมณัติอาศัยเนี่ยข ม, มะบอกว่าในขณะที่เราเจริญพุทธานุสติธรรมมาสังคาศีราจาคาอุปสมาเนี่ยถามว่าไอาสมณัติเกิดขึ้นที่อาศัยเนก่ยข ม, มะเนี่ยมันต้องดูด้วยนะว่าน้อมออกไหม ทำไมท่านใช้คำว่าเน่คำมัดเขาไว้ที่พยายามจะยกตัวอย่างว่าเพ่อโพธิสัตว์ว่าพ่อโพธิสัตว์นั้นนะ่ะที่บอกว่าท่านสละทรัพย์แล้วก็เห็นว่าพบประดุดดังไปไม่กรณีในลักษณะการเจริญวิปัสนาหรือสมถะหรือวิปัสนาต่างๆเหล่านี้ท่านเจริญเพื่อเป็นปัจจัยการที่จะออกใช่ไหมจะออกจากวัตฏาไม่ใช่เพื่อไปติดหรือไปยึดอยู่นี่ประเด็นก็อย่างที่โยอมองโกถามบอกว่านี่เราจะแยกยังไงถ้าถามบอกว่า หน้าหนักใจไหมถ้าเรายังไม่รู้คําสอนมากสิ่งที่ควรทําเลยก่อนเลยนะอย่าฟังมั่วจริงไม่ยอมสมานสมมติถ้ายอมสมานแยกผิดแยกถูกไม่ได้เนะีะยยิ่งไปฟังมั่วขึ้นมาในยอมสมานผิดพระดเองในสังสารวัตรที่ผ่านมาเนี่ยเพราะเราเป็นแบบนี้เฮอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ ด, นนกดีฟังไปเรื่อยคนที่ศึกษาพระธรรมนี่นะพอหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยตัดทิ้งไปเรื่อย เหลืออยู่ไม่กี่อย่างเนีนักเข้านักเข้าเนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่มั่นใจปังนี่นะนั่งอ่านก็ไดวิดีโอเองเลยสวดมนต์นั่งอ่านก็ไดวิ ด, โดีนนอดดโอเอาอย่างนั้นก่อนมีหลายท่านนะเป็นขนาดพระตรีลัก็เยอแล้วแกไมเคยไปสํานักต่างๆก็ผิดหวังผิดหวังนักเข้าก็นั่งอ่านก็ได้วิดีโอที่ศึกษาเองเลยและยังไม่กลา้าที่จะลงมือที่จะมาฆขาไอ้คนแต่พอเห็นแนวทางที่มันถูกต้องตามคําสอนอพระเจ้าไปดดีเลยแปลว่าเขาสั่งสม ปัดใจไว้เต็มที่เข้าใจไหมนี่เราก็เหมือนกันอย่าฟังมั่วคือคําสอนที่มีการกล่าวถูกต้องอยู่ในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแล้วก็ถามท่านบุรุษว่าอะไรที่ที่ควรจะฟังอะไรที่ของบุคคลไหนไปสอบถามซึ่งยังพอสอบถามได้ใช่ไหมแล้วก็หาสอบถามกับอย่างนี้วิธีศึกษาพระธารมด้อย่าง ตรงนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับที่เรายังแยกไม่แยกไม่ได้แต่ถ้าสำหรับคนที่แยกได้แล้วเนี่ยเอาใครที่นั่งๆอยู่นี่คิดว่าแยกได้ั้ยสมมติโยนสมานในกี้วเอดแยกกี่ถูกได้หมมั่นใจไหมยังไม่ถ้าสมมติว่าเหมือนแบบพี่ข้าวในกระดูกอะถดี๋ว็คิดว่าพอจะแยกเป็นดีไม่ดีอาข้าวอะพอจะแยกแบบหยาบๆก่อน คือคือกรณีอย่างนี้ก็ใช่แต่มันก็จะเริ่มมีความมั่นใจบ้างซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเรานี่อย่างกับคนตาบอดเลยคนตาบอดเลยมันคนละคนเล ย, เลยแต่พอมาณนะปัจจุบันเนี้อ่ะมันจะเริ่มเกิดความมั่นใจมากขึ้ น, นใช่ไหมใช่ไหมมันจะเริ่มมั่นใจขึ้น พอใครพูดเสียงดีหน่อยโอ้โหใช้ได้ก็ใช้ได้ใช่ไห ม, ไมก็จะเป็นไปลักษณะนี้นะแต่ในกรณีอย่างเนี้ยไอ้ตรงนี้ยคือคือว่าต้นทุนที่เราฝังไว้ในใจแล้วเขานี่นะว่าคําสอนที่เป็นเทปเนี่ยเอาแค่มงคโออคนโยมงวงโคไปฟังให้ให้ทั้งหมดเนี่ยต้องฟังดูดิฟังให้ทั้งหมดดูนะนักเข้านักเข้ามันจะเป็นกุญแจเป็นด่านในการแยกเลยใช่ไหม ้เาเราทานอาหารที่ดีเลิศแล้วพอจะนเป็นอาหารรที่ันน่ยไม่ลานทานี้เราจะรู้นั่นแหละจะเป็นลักษณะคือได้ทานมารถที่เลิศแล้วน่น้าหากว่าจะให้เราไปฟังไปฟังในสิ่งที่มันไม่ใช่คาสอนเนี่ยนะเข้าใจไม่นอตยิงไม่เยอะเยอะเลยใจจะรู้แล้วไอ้นี่นี้ไม่ใช่แต่บางครั้งมันหาเหตุผลไม่ได้เรารู้ว่าไม่น่าจะใช่เนี่ยแต่ว่ารู้จะบอก แต่ที่อาจารย์คุณรู้สึกว่ามีเหเตุมีผลทำสอนของพระเจ้าเนี่ยมีเหตุมีผลมากใช่ๆ ส, สามารถทำให้เข้าใจง่ายอย่างคือคือลองสังเกตดูนะว่าที่เพราะสุมเมธาดาบท พอแกพิจารณาเห็นอะไรแกไปเห็นความเกิดคนคนแกเห็นคนเจ็บเห็นคนตายใช่ไหมพอพิจารณาเห็นในลักษณะอย่างนี้เบ็ดเสร็จนะหรือว่าพระโพอธิสัตว์ทุกองเนี่ยถ้าบา ร, รมีงท่านทีสั่งสมมาเนี่ยท่านเห็นอัถฐาของความแก่ท่านก็มาสะดุ้งสะเทือนเห็นอัฏาของความเจ็บไข้ท่านก็มาสะดุ้งสะเทือนแต่คำว่าสะดุ้งสะเทือนในที่นี้ท่านคิดอีกมุมมืด มีสว่างนไสุขแล้วมีทุกข์นี่นะแล้วที่บอกว่ากรณีที่เรตกอยู่ในหลุมอุจจาระการที่ทางมีอยู่สระน้ําข้างหน้ามีอยู่การที่เราจะไม่ไปอาบน้ําในสระนั้นไม่ใช่ความผิดของสระแต่เป็นความผิดของบุรุษชั้นใดกรณีทีชทชนนทช่ชลามีที่ดับชลาก็มีตอนนั้นที่ท่านเจอพระทีบังกรสมมาสมพุทัเจ้าใช่ไหมชลามีที่ดับชลาก็มีคือพระนิพาน พยาธิมีที่ดับพยาธิก็มีคือพระนิพพานมรณะมีที่ดับมรณะก็มีคือพระนิพพานเนี่ยโสกามีดับโสกาก็มีได้คือพระนิพพานมีอยู่ปริเทวามีที่ดับปริเทวะคือพระนิพพานมีอยู่คิดอย่างนี้โสมนั้นเกิดอย่างนี้เขาเรียกว่าวิปัสนาอาศัยเดชะมรณะใช่ไหมใช่กรณีคิดคิดอย่างนี้ยอันนี้ใช่เลยคิดออกเลยเพราะมันเข้าใจคําสอนใช่ไหมการเข้าใจคําสอนในลักษณะเนี้ย นี่แหละตัวในรักโสมนัสเกิดขึ้นเลยเ่าคิดได้อย่าเงี้ยถ้าตอนคิดไม่ได้เป็นทุกข์ใช่ไหมเพราะไม่มีที่ดับก็เหมือนคนคิดเรื่องปัญหาถ้าแก้ปัญหาดังกระโสมนัสเฉันใดนี่ก็เหมือนกันค่อนเห็นว่าอิชลานิจความเป็นปัญหาจริงๆพยาธิก็เป็นปัญหาจริงๆมรณะก็เป็นปัญหาความโศวความล่ำลำายลำพันธเป็นต้นตัวปัญหาทําให้ท่านสะดุ้งสะเทือนมากไอ้ที่ดับเหล่านี้มันมีอยู่คือพระนิพพานที่พระบรมศ า, าสดาบอกไว้ท่านก็ต้องการดับ แต่พอคิดในลักษณะเนี้ยถ้าท่านจะเผากิเลส ด, ดับไปคนเดียวท่านจะเป็นพระอรหันต์องค์ที่ 400,001 รูป่ง1 0 0 0 0 0่งเดือนเป็นพระนากาับตามว่าพระพุทธเจ้าตามภาษาว่าพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายถูกไหมไม่มีใครรู้จักเราไม่ต้องการบุรุษเช่นเราคนมีกำลังคุเช่นเราคนมีศรัทธาระดับเรา คนมีวิริยะระดับเราคนมีสติสมาธิปัญญาในระดับความเพียรหนักๆอย่างเราเนี่ยขันติอย่างเราเราเนีความมุ่งมั่นขนาดเราเนี่ยควรจะช่วยผู้อื่นด้วยก็เลยคิดเลยไหมเราดับทุกข์แล้วจะให้คนอื่นดับตามด้วยเราข้ามอุปสรรได้แล้วจะให้คนอื่นข้ามด้วยด้วยเราปฏิทิพานแล้วจะให้บุคคลอื่นปริทิพานด้วยสังสารวัตรมีภัยมากฉะนั้นเราจะข้ามไปคนเดียวไม่เหมาะแล้วเนี่ยนะท่านก็คิดอีก นี่ในกรณีอย่างเนี้ยถ้าคนคิดในรักสันนิษฐามนาธันเกิดเนอะที่ท่านคิดอย่างนี้เนะี่ยไม่ใช่คิดแล้วโอ้ยนั่งงอยเหงาไม่ได้เลยสมนาฏเห็งไม่ปิติทั้งห้าเกิดขึ้นในกระแสขันทัานเรือปีติเกิดโลดแล่นเลยจริงคาสอนของพระเจ้านี่ยยังมีอยู่ถึงขันนี้นะคะใช่ใชแตนน่ทีนี้ผู้เดินเนะี่ยจริงๆแล้วผู้เดิน ที่ดับมันมีอยู่แต่เราไม่รู้ที่ดับมันเป็นยังไงไม่ได้เรีนไม่ได้ทางเดินมีอยู่ทางดับมีอยู่่ทางเจริญก็มีอยู่แต่ที่นี่ความไม่เข้าใจตรงนี้ก็เลยไปฟังมาหลากหลายแล้วมันก็ไม่มันก็เป็นอย่างนะมันมันเข้าไม่ถึงอย่างนี้พอฟังอย่างนี้แล้วมันมีทางทางที่ ถ้าองตัดเอาไว้เนี่ยมันมีทางดับทางเดินแน่นอนพร้อมหมดเลยใช่ใแต่นี้เราไม่เข้าใจเราก็เลยทั้งทั้งเดินทั้งดับอะไรทั้งเจริญไม่ได้หมดนั่อแหละก็คือว่าแสดงว่าไม่เข้าใจอริยศาสตร์ใช่ไหมแต่ก่อนใช่ไหมเราพูดอริยศาสตร์แต่ไม่เข้าใจอริยศาสตร์ก็คือมันไม่เคยอย่างว่านองสังเกตดูจีแล้วก็พูดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นสมณะแล้วก็เฉยๆแต่ในกรณีถ้าคิดมุมนี้อ่ะจริงๆด้วยใช่ไหม พ่อมุมคิดท่านมีแต่เราท่านเราเราไม่เคยไปสืบคนมุมคิดของท่านไมใช่ <Okay. S 2> แล้วอย่างพระาจรย์กล่าวเมื่อกี้เนี่ยมันมีเหตุผลมากๆเลยเราก็ขออธิษฐานอย่างนั้นอธิษฐานอย่างนี้ที่จริงไอ้คําอธิษฐานที่มันเป็นไปไม่ได้เลยสักอย่างใช่ <c oughs> ไหมครับเพราะว่าถ้าเราไม่สื่อารเนี่ยเราก็ไปอธิษฐานอยู่อย่างเนี้ยแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้สักอย่างก็เหมือนกับทั้นเหมือนกับคนไปอธิษฐานบอกว่าอย่างที่บอกว่าไปอธิษฐาน ไปไปอธิษฐานเกี่ยวในเรื่องของว่าบุตรตายแล้วขอให้บุตรคืนมาก็มีเทวดาคนหนึ่งก็ไปเยืนในที่ถามเหมือนกันบอกว่าขอให้ดวงอาทิตย์เนี่ยขอขอให้ดวงอาทิตย์เนี่ยจงมาเป็นเป็นล้อจะอยากจะได้ล้อแ้วกันอยากเอาวดวงอาทิตย์มาทำล้ อ, ทำ ล, อทำล้อเวียนเนี่ยก็ขอกา้มี ให้พระอาจารย์มีสุขภาพดีถ้าช่างขายทอดตรงนี้เจ็บไว้ให้คนรุ่นหลังไม่ได้คนมีคนเขายังทําได้อยู่นะคะตรงนี้สำคัญมากเลยทีนี้ถามว่าพิจารณาอย่างนี้เราก็เจอในรักเนี่ยเห็นไหมว่าถ้าสมมนัถเห็นฟ้านั้นเขาเรียกว่าสมมนาที่อาศัยเนกขมมะฉะนั้นคนที่เขาคิดเนกขมมะเนี่ยปีติีทั้งห้าเขาเกิดถ้าปีตรีทั้งห้ามันจะต้องเกิดในมหาบุตรสนสมมนาใช่ไหมโยมสมัยมันเกิดในนั้นแหละ ปีติทั้งขุทกกาปีติคณิกาปีติอุเพงคาปีติอกันติกาปีติพระนาปีติมันต้องเกิดในในมหาอุกสนิชมันนะั้นนั้นเวลาท่านคิดเห็นวัตฏะเห็นภพ ป, ประดุจตังไฟไหมเนาะปีติเกิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยกรณี้อารทีนวานุปัสนาญาณเกิดนะท่านเห็นภพ อ, อย่างเงี้นนะทีนี้พอวิปัสนาญาณที่ไปเห็นโทษของขันห้าใช่ไหมเห็นโทษของวัฏฏะเห็นโทษของภพต่างๆท่านเขาวิจัยกระแสะขันของบุคคลอื่นว่าเป็นไปตามโทษเหล่านั้นด้วย แต่ท่านเห็นทางดับอยู่ท่านก็จะบำเพ็ญบารมีเพื่อให้คนอื่นดับตามท่านด้วยเนี่กรณีที่คิดอย่างเนี้ยใช่ไหมโสมนัสเกิ ด, ดคิดเห็นทางแล้วเข้าใจทางแล้วมั่นใจในหนทางนั้นแล้วและจะเดินในทางนี้แล้วท่านวิจัยอดีตของพระโพธิสัตว์จบพ็ตะตรวิโดกมานับชาติไม่รู้ฟังคําสอนพระเจ้าทะลุทะวงบมดเสร็จท่านถึงบอกว่าตอนที่ท่านนอนอยู่บนเปลือกตมใช่ไหมที่ท่านอธิษฐานขอให้พระผู้มีพระเจ้าพระทีบังกรสัมาสมพุทธเจ้า เหยียบจากสีสามตัวเองเนี่ยข้ามเปือกตมไปเธอะพร้อมเลยปารานสี่แสนลูกข้าพเจ้าขอถวายชีวิตเป็นทานแล้วนะ่ยได้ความได้การกระทําในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอเป็นผู้ดียาวเหมือนพระทศพลญาณพระทีบังคอนทศวรรษญาท่านตั้งกระแสจิตอย่างนี้เลยนะแล้วตรง น, นี้ก็เหมือนโยนสมาน ถ, ถามอาตมาอุ้ยตอนเนี้ยคำภีสองสายใช่ไหมท่านมาศึกษามาถึงตอนนี้ปุ๊บเนี่ยสองสายก็ไปแล้วถ้าสายในเราเนี่ยบอกว่า พอมาเห็นปุ๊บเนี่ยพระทธเจ้าชี้ตรงยืนบนศรีรษะของพระถของพระสุมเมธาดาบท บ, บอกว่าท่านทั้งหลายจงดูบุรุษที่นอนอยู่เปือกตมเนี่ยนับจากนี้ไปสี่สงขายยิ่งด้วยแสนมหากับบุรุษผู้นี้จะได้ตัดสรุ้เป็นพระทธเจ้ามีนามว่าพระโคดมเห็นไหมจะมีพระราชบิดามีนามว่าสุโธธนะ พระมารดาชื่อว่ามหามหายาธีเป็นต้นๆนั้นแล้วก็ไล่ไ ป, ไปตามลําดับและท่านผู้นี้จะมีอัคราสาวกเบื้องขวาเบื้องซ้ายคืออุปติสารและโกริตาเป็นต้นเหล่นี้อุปถาของเธอที่ชื่อว่าอานนท์เนี่ยานันก็ไล่ไ ป, ไปตามลําดับแล้วก็จะทําโลกให้สว่างแล้วก็เลี้ยงสัตว์ให้โค้นจากวัตถทุกอย่างท่านไล่ตามลําดับไปเลยแล้วก็ใช้ดอกไม้กํามืออยู่ไหมบูชาเวียนประทักษิณ าพาภิกษุสี่แสนเบียนปรักสินหอเก่าเลยเนี่ยนะอันนี้คือสายเราใช่ไหมถ้าอีกสายหนึ่งบอกว่าเหยียบเลยทรงทรงพยากรณ์อะไรจะเหยียบข้ามไปเลยนนะลนนเนี่ยนะลักษณะนี้ถามบอกว่าทั้งสองสายศึกษาแล้วได้อะไรได้ศรัทธาใช่ไหมได้ศรัทธาแต่อย่าศึกษาเพื่อความขัดแย้ง ให้ได้สรัทาวะถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านทิ้งทอดล่างแปลว่าอะไรแปลว่าท่านถวายชีวิตจริงๆท่านถวายชีวิตเพราะท่านทําไม่ทันท่านพยายามทําเต็มที่แต่ที่ที่ท่านทํานี่ยมันถูกคราแล้วเต็มไปด้วยเปือกตมอยู่นะทีนี้ประชาชนในชาวลามนครเห็นว่าท่านมีฤทธิ์ถนอมมานี่แต่ว่าก็เลยให้ที่ยากๆเลยท่านท่านก็ตั้งใจทําลองไปดูที่ท่านทําดิ กวาดเม็ดหินขุดดินแต่ละแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยทุกครั้งที่มือขุดเข้าไปเนะี่ยพุโทโธพุโทโธตลอดเอุทานตลอดพระพุทธเจ้าบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าแต่ปีติก็เกิดตลอดเราเคยขนาดนั้นไหมนี่เราจะได้เห็นว่าจริงๆแล้วเวลาที่เกิดท่านเกิดศรัทธาในพระพระุทธเจ้าท่านศรัทธาจริงๆใช่ไหมถ้าเรามองดูโอ้ใจท่านอย่างนั้นจริงๆอ้าวทาไมถึงขนาดนั้น ว่าพิจารณาโอ้โหท่านผ่านพระพุทธเจ้ามาตั้งศามแสนกว่ารูปแล้วแล้วท่านไปตั้งปาณนาไปเจอหน้าพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ข้าพเจ้าปราณถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเช่นอย่างท่านเช่นอย่างพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบนันพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พยากรณใช่ไหมโยมใช่ไหมพูดไปงี้ก็ไม่ได้พยากรพูดนี้ก็ไม่พยากรณอย่างเราเนี่ยถ้าไปพูดกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าเฉยเนี่ยใจยก็ม า, มามานั่งคิดเครีดยดใช่ไหมไม่เอาแล้วพูดไปเห็นท่านเฉยเฉยไม่เห็นไง พยักน่ารับสนิดก็ไม่รับใช่ไหมเห็นไหมั้าเราพิจารณาอย่างนี้เราจะได้เห็นโอ้โหความมั่นใจว่าท่านต้องได้ตัดสู่และท่านไม่อยอมพอยิ่งได้รับพยากรปุ๊บเห็นไหมทั้งปีติทั้งอะไรต่างเพราะท่านลุกขึ้นมานั่งพิจารณาพิจารณาบรารมีเองเลยอ่ะทําไมคิดได้คิจารณาทานบรารมีศีลบรารมีเนคขมรารบารมีเป็นต้นตามลำดับจนถึงเบขาบรารมี พิจารณาบา ร, รมีทั้งอวิโมและปฏิโรมไล่กระแสจิตอย่างนี้นะพันดินไหวอ่ะยันน้ำรองเห็นดินเนี่ย <c oughs> ลองคิดดูอ่ะ ค, คนที่คนที่บําเพนบา ร, รมีมาอย่างนี้คือบุรุษอัศจรรย์ <c oughs> ไม่ใช่บุรุษ ธ, ธรรมดาอย่างเราหรอกตอนที่ไปกราบเจ้าที่อินเดียนะะ ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยยังยังน้ําตาไหลออกมาก็คืออัตยาสัยเดิมมีกั น, นในั้นจะไม่ <นะ S 2> อย่างเราท่านั้งหลาย <ใน S 2> อัธยาศัยแคนน่เรารู้เรื่องนี้คนแค่ปิดกราบท่นนั้นนะสงสัยอ <c oughs> ่างอาจารย์ว่าพระอาจารย์บอก ร, ร, ร้องไห้ไม่รู้ไม่รู้ตัวเลย <c oughs> คื อ, <ข>อคือในกรณีในลักษณะว่าไอ้กรณ์ท่านละมองเห็นเองมองเห็นว่าบอกโอ้เนี่ยขม่าใสาโสมมันนัดไปนี้เลยคือท่านพิจารณาแล้วท่านเห็นทางท่านรู้ว่าที่มันดับที่ดับต่างๆเลยนี่มี นั่นในกรณีอย่างนี้ถ้านอนพิจารณาแล้วเมื่อบุคคลมารู้ว่าความที่รูปไม่เที่ยงไม่เที่ยงแปลปวนไปคายไปแล้วก็ดับไปแล้วก็เห็นรูปด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามความเป็นจริงว่ารูปทั้งหลายเมื่อก่อนและบัดนี้รูปเหล่านั้นทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปลปวนเป็นอนัตไปเป็นธรรดาเป็นนัตตาก็เกิสดสมณะสมณะเห็นปา น, นี้เรียกว่าสมณศัยเนกัมมะนั้นคําว่าเสวิตตทังเนี่ยนะเขาแปลว่าพึงเสก ไอ้คำว่าพึงเสพในที่นั้นก็คือสมมานะที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจหเมฆะกามะและก็ด้วยอำนาจของวิปัสสนาด้วยอํานาจของแห่งการตามระลึกด้วยอนุสติทั้งหลายเน่ยเรียกว่าเมกามะหมดเลยตั้งแต่พุทธานุสติธรรมานุสติและก็สังขานุสติกา ร, ราลึกถึงคุณของพระเจ้าหรือแม้ปฐมฌานก็เป็นชื่อว่าเป็นต้นก็ชื่อว่าพึงเสพทั่านนะสรุปว่าอนุสติก็พึงเสพเห็นไหมถึงบอกอนุสติใช่สติปัฏฐานไหมใช่ จริงอยู่ตอนนี้พูดถึงในเรื่องของเวทนานะว่าแต่ถามงี้นโยมสมาพูดถึงเรื่องเวทนาเวทนาที่พึงเสพใช่ไหมเวทนาที่พึงเสพก็คือเวทนาที่ในมหาภูสุนทีนี้สิ่งที่จะทําให้เกิดมหากุศลได้ที่เป็นสมนัตได้เป็นต้นเหล่านี้ยก็คือการเจริญพุทธานธุสติใช่ไหมสามารถจะทําให้มหาภูสุนนั้นเป็นอุปจารและสมาธิได้นั้นพึงเสพเห็นไหมเข้าใจไหม หรือเวทนาในปฐมฌานมีเวทนาไนหะนั่นแหละเวทนานั้นก็พึงเสพ ท, ท, าาตทุติยฌานตาติยฌานจิุติฌานและอรูปฌานเวทนาเหล่านี้พึงเสพเพราะเมื่อเสพเวทนาเหล่านี้แล้วเป็นไปเพื่อการจะถ่ายถอนให้ลืมและคำว่าพึงเสพในที่นั้นไม่ได้เสพเวตนาเมตติที่นั้นเสพในที่นั้นเกือพึงให้เวทนาเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อจะได้เป็นบาปแห่งการเจริญวิปัสสนาก็จะออกจากปฏิณั้น ก็เขาพึงเสพคือแบบนี้เพื่อจะได้ประิภิพานเพื่อจะได้ดับเข า, าพึงเสพอ่ะเพราะว่ากรณีที่เราจะวิจัยขันธาริยตนาฏได้อย่างชัดเจนที่สุดก็ต้องสงบเวทนาที่หยากทําเวทนาที่ละเอียดให้เกิดขึ้นในกระแสขันธ์แล้วต่อไปก็คือการวิจัยเห็นด้วยความไม่ที่ยังเป็นทุกข์เป็นนัตตาเป็นต้นี้เป็นไปลักษณะอย่างนี้นันนนน้นแต่เข้าใจในลักษณะนี้เขาว่าพึงเสพ ถ้าสมณัตอีกอันใดเนะี้ยเขาถ้าเกิดแยกเลยไม่ว่าฉะนั้นอนุสติทั้งหมดนั้นเป็นปัจัยเกิดอนุสติอุปยาราสมาธิและถ้าอาณาปานาสติก็เป็นปัจัยเกิดยันจจดุธชามเป็นต้สรุปแล้วเวทนาเหล่านี้พึงเสกหมดเลยนะคือบอกเวทนาที่พึงเสกก็คือเวทนาที่เป็นไปกับเนกขมมะเวทนาที่เป็นไปกับเนกขมมะคือเวทนาที่เป็นไปกับกุศลศีลสมาธิและปัญญาทั้งหมดเลยใช่ไหมนี่เราก็เริ่มเข้าใจเหมือนเอาศีลเนี่ยมาวิจัยเป็นอะไร ซีลานั่สียไหมนั่นแหละพึงเสพเอาทานมาวิจัยเป็นอะไรจาคาน่นเสียไหมนั่นแหละพึงเสพอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เริ่มเข้าใจแล้วนั่นคำว่าพึงเสพเนี่ยเพราะเสพสิ่งเหล่า น, นี้แล้วจะเป็นปัจจัยเกี่การเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นต้นได้แล้วอะลูบัชานี่ควรเสพไหมคับควรแต่บรรจัมญาณควรเสพแต่บรรจัมญาณเนี่ยควรเสพเพราะทานพวกนี้มันเป็นลักษณะของถ้าเป็นบุเรชนแล้วมันจะเป็น มันจะเป็นสุ่มโตไหมคือปัญหาคือตรงนี้นะสังเกตุดูได้ด ว, ว่าเราพุทธเจ้าจะสอนตรงนี้เฮ้แต่ทำไมเราต้องต้องต้องไปเข้าโกฉานนี้ด้วยปัญหาคือการต้องการสงบยิ่งเลยถ้าเราไปติดตรงนี้มันก็อันตรายคนที่เขาจะเดินชานแปลว่าเขาวิปัสสนาเขคล่องก่อนเลยอาจารย์แล้วแล้วจะเลี้ยวเป็นปัศนาต่อไหนอ่อนชานต้องชานต้องถึงปัจจุบชานหรือว่าประเด็นมันอยู่ที่เราจะตั้งหลักแค่ไหนบางคนตั้งแค่อุปยาร์แล้วใช่ ไม่ต้องถึงระดับ อ, อัปนาประเด็นไม่ต้องอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราต้องการจะตั้งประเด็นอันไหนเป็นฐานเข้าใจใช่ไอันนี้หมายถึงกลุ่มฝึกเนี่ยนะแต่ถ้ากลุ่มที่เขาทามาจนช่าชองแล้วเนี่ยเขาเร็วมากสามารถทได้ทุกน ท, ทุกเปฐมวิาชาันหมายถึงอธัธยาศัยในใดีเขาทมาดีใช่หมเรไปเป็นวิปัสนาได้ทุกชันก็เป็นฐานในการเจริญวิปัสนาได้เว้ญญนนี่ว่าสัญญาณาสัญญายต่นะอันี้ปุปจาระถ้าสมมตจะเข้าิาก็เป็นเรื่อง พิจิงห์ยังไงใช่ไหมยังยกตัวอย่างเช่นว่าเอานี่เจริญอนุสติจเจริญพุทธา น, นุสตินี่แหละพอวิจัยไปเรื่อยๆบทได้บทหนึ่งใช่ไหมอาลหางเวนกูไกจากกิเลสเป็นต้นอะไรเนี้ยพอใไขควรพิจารณาเห็นคุณของพระพุทธเจา้าอย่างอย่างอย่าช่ำชองนะหนักเข้าหนกเข้าจิตก็เริ่มดิ่งเป็นอุปจารสมาธิพอสงบกิเลสนี่วรารธรรมได้ต่างๆเหล่านั้นก็ถอยก็วิจัยเลยวิจัยอะไรไอตัวเนี้ยกวอุปจาระนี่แหละเวทนาใช่ไหม สัญญาสังขารวิญาณใช่ไหมวิจัยพวกสติเป็นต้นสังขารเหล่านี้เป็นต้นไหมวิจัยนามธรรมเหล่านี้เมื่อวิจัยนามธรรมหนี้บางกลุ่มก็วิจัยรูปธรรมก่อนก็แล้วแต่นี่นะแล้วก็อาศัยรูปธรรมเวียนไปยังไงก็วิจัยรูปนามต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ปัจจัยของรูปนามเป็นต้นก็ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นแล้วก็ละฉันทราคะในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนิจตาแล้วก็ดับดีเลด้วไม่จะไปรักษาเลยเข้าใจใช่ไหมอันนี้ย่อๆแบบเนี้ก็คือว่า อุปจารสมาธินั่นแหละเป็นฐานเพื่อสงบนิวรธาธรรมเพราะตัวนิวรธาธรรมยังตัวกั้นวิปัสนาไมกันวิปัสนาอย่างเราที่มาทากันตรงนี้ที่มาทำไม่ค่อยได้หกเมรีรังกอุปยาระไม่ได้แล้วนกรณีที่ถึงปติบปติเกิดแล้วเนี่ย ย, ยิ่งดีใหญ่เลย ก, ก็เป็นเรื่องที่จะพิก็พิจารณาถึงปิตินะ่เป็นธรรมที่เกิดจากปัจจยใช่หมหนึ่งรู้จักสภาว่าของปีติหรือยังลักษณะของปีติ ใช่ไหมพอรู้ลักษณะของปีติแล้วก็รู้ในเรื่องของกิจของปีติอาการปรากฏของปีติที่กําลังเป็นไปอยู่เขตุใกล้ของปีติคืออะไรใช่ไหมปีติเป็นสังขารหลักฐามบางทีภาษาเป็นปัจจัยยังไงก็เริ่มไล่แล้วนี่ปัจจัยใกล้ของเขาอวิชาตัณหากรรมเป็นต้นเป็นปัจจัยเกิดปีติยังไงเป็นต้นปีติเนี่ยปัจจัยของปีติไม่เที่ยงตัวปีติไม่เที่ยงก็เริ่มเป็นทุกยังไงเป็นอนัตตายังไงพอวิจัยเสร็จนะเข้ากับสงบระงับนั่นในสุดที่ก็ถ่ายถอนตัณหาก็ไม่อาศัยปีตินะ มันก็จะไปมุมรักษณะแบบนี้ถึงบอกว่ า, วาให้ได้เธอถ้ามันเกิดในรักขณะอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ดีไงแล้วก็วิจัยลงสู่การเดินให้วิปัสสนาเห็นไหมว่าอนุสติ <c oughs> ทั้งหมดก็คือสติปัฏฐาน <c oughs> จะมาสายเวทนาหรือจิตตาหรือธรรมาเลยก็ว่าไปใช่ไหมแต่สายเนี้ยเวทนาเลยชัดเลย ใช่ไหมเพราะในะขณะที่ปีติเกิดเนะี่ยเป็นใบกระสมานั้ตไหมสมานัเวยนาสมานโยนาณีควรเสพใช่ไหมเพราควรเสพเบ็ด เ, เสร็จเขาสงบนี่เวลาทำได้แล้วจนปีติเนะี่ยเกิดความพอสูงกว่าปีติหน่อยก็เป็นปัจสถานใช่ไหมจะปัจปสทานก็ความสุขให้สูงกว่าความสุขอีกเป็นสมาธิพอสมาธิตั้งมั่นอยู่ในระดับไหนอะระดับอุปจาระเราจะหยุดแค่นั้นใช่ไหมหรือจะเดินต่ออถ้าหยุดแค่นั้นเราก็วิจัย มันเหมือนกั็ก็กรณีอย่างนี้แสดงว่าล่องรอยนี้ให้เกิดบ่อยๆดีไม่ดีมากมันเหมือนอลเอาไว้พักรบพักรบในการวิจัยใช่ไหมการวิจัยด้ปัญญาเนี่ยวิจัยเบสเซ็จมันจะต้องใช้ปัญญาคนมาวิจัยมากสติสัมปชัญญะใช่ไหมย้อนสมัยใช้ทั้งความเพียรทั้งใช้สติทั้งใช้สัมปชัญญะในการวิจัยาา ท, จทีนี้ขนาดวิจัยเบสเซ็ตมันจะละ้พาพอาวีรัสล้าเบสเซ็ตก็เข้าอารมณ์เดิมที่เราเคยล่องเดิมที่เคยเดินเนี่ย เขามพักอยู่กับปีติปัสสติและความสุขหรือสมาธิพอได้สมาธิสักระยะหนึ่งเบียเศจจนใจรู้สึกสดชื่นเบียเศก็มาวิจัยต่อเข้าใจนะวิจัยจนเห็นความเป็นจริงเนี่ยและในสุดจริงๆริงทลาอีกยังไหมการวิจัยก็กลับไปเดินล่องรอยของสมถานนี่ก็สมถานเรื่องปรัสนานควบคู่กันอย่างนี้จรนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นทนิกรสมาธิบ้างแล้วก็เป็นอัปนาสมาธิบ้างสลับกันก็ก็จริงๆก็คือว่า ถ้าเดินถึงปรปจาราได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่า น, นี่เราทําจะสุขสงบได้ด้วยอุจาราใช่ไหมถ้านั่งซึมๆ น, น, นี่ยุ่งเลยใช่ไหมอย่างนี้ยุ่งเลยอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่สมาธินะอันนี้วิชาอาจารย์นั่งอย่างนี้สมบูรณ์ละจิตละปามโหดแล้วก็ปิติสัตติถึงขั้นสัตติแล้วนี่ตรงนี้ตรงที่ว่าถึงขั้นปิติเนี่ยลมในใจมันสงบแล้ว แล้วที่นี่มันจะถอยยังไงจะก้าวต่อไปหมายถึงมหมายถึงจิตใจคือทัชฌานมันเขายังไงคือที่จริงเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ยากถ้าได้แล้วใช่ไหมถ้าสมมุติแม่เราพูดกันระดับที่ได้อย่างระดับเนี้ยมันเป็นเรื่องที่โอ้โหพูดได้ตื่นเต้นใช่ไหมคะประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่าโดยมากมันทําไม่ถึงกันนี่สิ ยังมันไม่ถึงเนี่ยถ้าขอมันถ yup, ึงเลใช่ไหมยิ่งยอมจริงว่ายอมสมายมาการการต่อในการที่จะเจรินนิพพสนาไม่ยากแล้วก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราท่านทั้งหลายต้องมีการเรียนรู้อย่างชัดจริงว่ายอมสมัวิจัยจนวิจัยจนเกิดความชัดเจนแล้วจะได้่าเดินนิพพสนได้คล่องการเดินนิพพสนได้คล่องเดินสมาธิได้คล่องเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญเมื่อไปได้สมาธิแล้วมันจะไม่ติดนะ เพราะเรารู้ว่าจริงๆแล้วเรามันเหมือนว่าอะไรเหมือนคนตั้งหลักเหมือนคนทําธุรกิจทำธุรกิจเราคิดว่าตนเองได้แคต่ตรงนี้แล้วต่อมาจะทําประโยชน์อะไรมันตั้งหลักนะ้ถ้อาจารย์ถ้าเราไม่เดินถึงขั้นอย่างนี้แต่ว่าเราอยากจะปฏิบัติถึงท่านแค่ปฏิบัติที่ศาสนาพอเข้าใจอน้ำุปนามอะไรอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ถึ ง, ถงจุดนี้นะเพียงแตเราเราปฏิบัติอย่างที่อาจารย์อธิบายมาถึงขั้น รามโอิติและปัสติถ้าถึงจุดนี้เนี่ยนะทีนี้เขาบอกว่ามันจะไปถ้า<ม>ถ้าเป็นุชนชนอย่างเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจะติดอยู่ตรงนี้อมันจะหนาก็พูดกันไปประเดน็นอยู่ตรงไหนประเด็นมันอยู่ตรงที่บอกว่ากรณีที่ถ้าเรามีข้อมูลมเรียนจนเกิดความเข้าใจแล้วคนละเรื่องก<ย> <ๆ S 2> ันแล้วคนละเรื่องกันแล้วงั้นไอ้กรณีกรณีที่เราฟังว่าทำจนเกิดความเข้าใจจนชัดเจนแล้วเราก็เดินในชีวิตจริงจนเข้าใจนั้นกรณีที่ยัฟังแล้วเหมือนยังกัน เ่ยแ้กาตปฏิบถึงบอกว่าเวลาเราไปเดินแม้แต่ขณะฟังฟั ง, ฟงทำแล้วเราก็วิจัยตามไป เ, เราก็เริ่มเข้าใจใช่ไหมพอเราเริ่มเข้าใจเบ็ดเสร็จเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นปจัจจัยในการที่จะไปติดเลยเลยไม่ใช่เป็นปัจจัยนั้นจะไปหลงไปติดได้ยังไงเพราะเรารู้ว่าหลักคืออะไรอยู่แล้วเรารู้นี่ตัวปีติมันคือสังขาระขันใช่ไหมเรารู้นี่สุขเวสโสมนัสเวทนาคือเวทนาขันมันที่ยงที่ไหนแล้ว มันก็ได้แค่เจ้าพักเจ้าพูดเราก็รู้วิจัยยินขนาดนี้ลเลยเบีดเสร็จนันจะไปติดอะไรเพียงแต่ประเด็นเราก็เพียงแต่รู้ว่าโอ้สภาว่าทำเหล่านี้มันเกดขึ้นมันเกิดจากเหตุปัจจัยนะแล้วมันเสื่มได้นะั่นมันเสื่มได้นะั่นต้องทําให้มีขึ้นใ ห, เ ก, นใหเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลามันือต้องเป็นความเหน็ดเหนื่อยด้วยการที่ต้องเพียรพยายามไปจะรักษามีแต่เป็นความทุกข์โดยทั่มไปใช่ไหมกลัวมันจะหายไปโดยทั่มไป oh, <yeah. S 1> ใช่ไหมนี่ประเด็นต่างๆยิ่งภาวะปัจจุบันนี้แล้วเนี่ยกรณีเหตุปจัจจัยที่จะให้เสื่มง่ายมาก ง่าจริงๆเนี่ยทำให้เสื่อมทําให้เกิดสังหาที่ยากอพอได้ปีติปฏิสิทธิความสุขได้สมาธิสักระดับหนึ่งแล้วเดินไปตลาดวันเดียวก็หมดแล้ว <c oughs> โอโ้ <c oughs> โ, อโหใช่ไหมเมื่อละมัดระวังขาดเอ็นซีซังออนแค่วันก็หมดแล้วก็หนาดล้าเนี่ยยังต้องลําบากพอเกิดสมาได้สมาธิสักนิดหน่อยๆขึ้นมา จะเดินบินตำบาทยังต้องกําหนดทิศทางเลยวันนี้เดินทวนแสงตะวันหรือเปล่าเนี่ยนี่จะหายไปยหรือเปล่าเมื่อยังเคยสร้างคิดอยู่ว่าการที่เราศึกษาอย่างนี้แล้วอาจารย์จะบอกว่านี่เป็นปฏิบัติไปแล้วทีนี้มันไม่เหมือนละคือปฏิบัติการฟังแบบนี้ก็คือปฏิบัตินั่นแหละเดินอยู่ทำไมอันี้ทีนี้เมื่อกี้เกิเมื่อกี้ได้เคยคิดว่าอยากจะให้อาจารย์สอนปฏิบัติอย่างที่ทั่วไปที่ผู้ที่ไม่ได้เรียนไปยัดมาเลยเนี่ยโอ้ยากยากใช่ไหมฮะยากคนไม่เคยรู้เรื่องเลยสอนไง เราเราอย่างนั้นพวกที่จะเข้าเข้ามาเข้าค่ายมาปมาปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนเลยเนี่ยไม่เคยฟังว่าทำแนวลักษณะแบบนี้แล้วมาปฏิบัติยังไงคือถ้าเขาจะต้องการจะปฏิบัติรักษทางนี้ก็คือต้องการขัดเกลีอยู่สงบเร่งต่างหรือว่าต้องการหลีกเล่นต่างๆนที่ต้องมีข้อมูลถ้าไม่มีข้อมูลนยอมไปจับนั่งขัอยู่ในห้องอยู่คนเดียวยอมที่เมกี้เมกี้ไอ้เมกเป็นอย่างนี้ไงเพราะว่ากังหันเราเนี่ย มีหลากหลายบางคนไม่ได้เรียนนิพนธมบางคนไม่ได้เรียนการศึกษาเรื่องประหยัดมาเลยเนี่ยไมต้องฟังเลยนะทีนี้เมื่อเราจะเอาเข้าเข้าอย่างนโยมจะจัดเข้ามาเนี่ยหลากหลายใช่มครับเพราะยัางคุมสตีของโยมเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็จะจัดเข้ามาเนี่ยก็เหมือนมีเหมือนกันมีอยู่ลายหนึ่งนะจะฟังในเรื่องนะะี้่อมีอยู่ลายหนึ่งนะเขาจัดประมาณหกวันเดือนมิถุนายนอันนั้นเป็นเด็กนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายทมาก็บอกว่าได้พื้นฐาน พื้นฐานก็คือว่าก็เลยทําเป็นรูปแบบขึ้นมาก็เอาเมตตาพอหนาคือจะไปฝึกเมตตากับฝึกพุทธคุณสองอย่างก็ฝึกให้เดินกันอย่างนี้ออกในห้องฝึกสวดสาธยายแล้วก็ตรึกกันในห้องในขณะที่นั่งหลับตาไปลืมตาไปหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็สาธยายเป็นไปตามลําดับให้น้อมจิตในการฟังเปเิดเสร็จแล้วก็เราไปสาธยายเปิดเสร็จก็อธิบายกันไปเรื่อยๆ เ, เ, เนี้ยคือให้มีกิจกรรมในการตรึกให้ถูก ก็ต้องทําอย่างฮนี้ก็ต้องทำลักษาในอย่างเราที่ยังโยมคิดจัดอยู่เนี่ยนะเพราะว่าโยมก็มีปัญหาในใจอยู่ว่าเออเราจะจัดได้ยังไงคนมันแตกต่างกันก็ทําลักษณะแบบเนี้ยก็ทําเป็นหลักขึ้นมาอทําเป็นหลักขึ้นมาแล้วก็วางหลักพื้นฐานให้เข้าใจเรื่องสีอยังไงเข้าใจเรื่องสมาธิเข้าใจเรื่องปัญญาในชั้นพื้นฐานแล้วก็อธิบายไปด้วยแล้วก็นําการใค่ควรพิจารณาไปด้วยได้วิธีเดียว ใช่ได้อ ย, ออย่างนั้นเลยทีนีอย่างพวกที่เขเรียนมาถึงขั้นนี้จะเข้าเข้าร่วมกันได้ปะก็ <empl uke. S 1> มันก็เป็นคนที่ไม่เคยฝึกแบบจริงจริงยันกันทั้งนั้น <c oughs> ใช่ไหมเพราว่าีสอนอาจารย์ที่สอนสอนมาเนี่ยมันเป็ น, น, นปรูปแบบแล้วรู้กันหมดแล้วที่นั่งนั่งกันอยู่เนี่ยรู้น่าจะเป็นคนว่าเหมือนรู้ปริยัตใช่ไหมเหมือนรู้คําสอนแต่ไม่เคยขัดเกลากันโดยส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยโดยมากก็ก็เร yan, ียนฟังแค่นี้เบ็ดเสร็จอาทิตย์หนึ่งฟังซะห้าชั่วโมง ประมาณนั้นแหะประมาณห้ชั่วโมงกลับไปบ้านก็ไปเสพอารมณ์เดิม ๆ, ๆไปเสจแล้วก็เป็นเหมือนเดิมๆทั้งนั้นนั่นก็ควรควรหลีกเล่นกันทั้งนั้นควฝึกหัดตัวเองก็เป็นใช่ไหมแต่เป็นเรื่องเป็นเรื่องควรทำํำเรียนถามพระอาจารย์นี่ไม่ยา่พระอาจารย์ไปจัดเข้าค่ายชียงใหม่ไปจัดเรียกว่าเข้าสมถารเนี่ยโยมยังยังอยากจะรู้แล้วว่าเออไอ้พระอาจารย์เริ่มต้นจากการสอนคนที่รู้และไม่รู้เนี่ยมันรวมเป็นหนูอันนั้นก็เหมือนกันก็ ร, รู้แล้วไม่รู้เหมือนกันทีนี้เราถ้าเราจัดนี่มันก็ต้องมีคนที่รู้และไม่รู้ ใช่แต่ประเด็นมันอยู่<ต>ที่ว่าคนนำต้องรู้อ่ะไอ้คนนำเลยต้องรู้ไอ้คนที่นำแล้วมาบอกเขาอ่ะมันต้องรู้ใช่ไหมถ้าไม่รู้ไปบอกกันไปใหญ่เลยไม่รู้ตาบอดหนักจูงตาบอดอยังไปยุ่เลย